เทศเทๆไปนะเราได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างไม่สำคัญสำคัญที่ได้ฝึกกรรมาฐานไปในขณะนั้นเลยธรรมะบทใดของท่านถ่ายทอดออกมาตรงกับความจำเป็นของเราในขณะนั้นจิตมันจะตื่นตัวขึ้มารับรู้เองมาสนใจฟังเองตรงนี้ธรรมะของคนอื่นใจมันก็ไม่ฟัง น, นี่ตรงที่ใจใจมันตื่นตัวขึ้มารับธรรม ะ, ะที่เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้มนจิตรวม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 <Okay. S 2> อยากดูนะรู้ลงปัจจุบันเป็นงั้นไม่ใช่ว่าต้องรู้ว่ารู้อะไรแค่รู้ว่าใจอยากจะรู้แค่นี้ก็รู้แล้วนะแล้วก็ในช่วงต้นๆที่เราฝึกฝึกตามดูเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าเราจะมีพัฒนาการชัดเจนกว่าอตอนที่เราไม่เคยดูเลยอ๋อธรรมดานะเพราะว่าตอนหัดใหม่ๆนะเริ่มจากศูนย์ได้หนึ่งคะแนนหนึมากกว่าศูนย์อยู่เท่าไห ร, ร่อ่ะนับไม่ท่วนเลยใช่ไหม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 แต่ว่าตกลงแล้วคือใจิตใจหนูเปลี่ยนไปบา้างยังอะค่ะหลวงพ่อรู้สึกไหมว่าเปลี่ยนหรือเปล่าคือตัวเองรู้สึกแต่ว่าเวลาที่เกิดอัอออออตรา ห, หรือความยึดอยากให้ได้ดังใจมันยังเหมือนการกระทํา ม, มันยังเหมือนเดิมอะค่ะ <c oughs> นั่นแหละเครรู้ทันไปนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วแล้วหนูยังติดเพ่งอยู่ไหมคะหลวงพ่อมีนิดหน่อยไม่มากเหมือนรู้สึกว่าเพ่งหนูน้อยลงแต่หนูกลับ <c oughs> ไปอินกับอารมณ์ข้างนอกมากขึ้นอินแล้วรู้ว่าอินไม่ห้าม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 คืออาทิตย์ที่แล้วหนูมาส่งกันบ้านหลวงพ่อส่งไปอาทิตย์เดียวหร อ, อาลาบไปแล้วคือหนูติดเพลงแล้วเสร็จแล้วพอหลองพ่อบอกว่าเพลน้อยลงหรื อ, อยังหนูเลิกทําไปเลยค่ะ <laughs> รู้สึกเปล่า ว, ว่าใจเบาขึ้นหรือเปล่าเบาขึ้นนะเนี่ยปล่อยใจเป็นธรรมดาสังเกตไหมพอใจเบาขึ้นเนี่ยใจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา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 ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนโยมเวลาไปทํางานก็จะเผลอไปนาน <ทำ S 1> หนึ่งทงาน<ะ>ต้องยกเว้นนะทํางานเนี่ยเราต้องคิดเวลาที่เราคิดเรารู้กายรู้ใจไม่ได้เพราะฉนั้นเวลาทํางานเนี่ยตั้งใจทํางานไปแต่ทําทแล้วกิเลสเกิดเช่นขี้เกียจเนี่ยรู้ว่าขี้เกียจใชค่ะแล้วก็โยมก็พยายามที่จะท่องพุทโธบ่อยๆแล้วก็ทําไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็จะหายไปยค่ะหายแล้วรู้ว่าใหม่ท่องใหม่